ปริเชตที่4แนวทางในการเจริญวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาเป็นการละลึกรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบันโดยอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องช่วยให้รู้ตัวในปัจจุบันขณะคำบริกรรมนั้นสาคัญต่อการเจริญวิปัสนาจัดเป็นวิชมนาบัญญัติคือบัญญัติแสดงเนื้อความที่ปรากฏโดยปรมัติซึ่งเรียกว่า ตัดชาบัญญัติหมายถึงบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาวะธรรมกล่าวคือสื่อให้รู้ถึงสภาวะธรรมนั้นๆได้อย่างชัดเจนแม้การบริกรรมจะทําให้จิตรับรู้คําบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ก็ช่วยให้จิตใจจดจ่อมากขึ้นในเวลาเริ่มปฏิบัติธรรมจากนั้นจึงสามารถอย่างเห็นรูปนามตามสภาวะนั้นๆ โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นได้เมื่อวิปัสนาญาณมีกำลังมากขึ้นแล้วในภายหลังนักปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำบริกรรมอีกต่อไปเพราะในขณะนั้นจะสามารถตามรู้รูปนามได้ชัดเจนจนรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาวาธรรมที่กำลังกำหนดอยู่ ดังข้อความในคำภีวิสุทธิมักมหาดีกาว่าถามว่าบุคคลย่อมรับรู้สภาวะธรรมโดยเนื่องด้วยนามบัญญัติได้หรือตอบว่าจริงอยู่ในเบื้องแรกย่อมรับรู้โดยเนื่องด้วยนามบัญญตัติคือมีคำบริกรรมสลับกันไปแต่เมื่อภาวนาจเจริญขึ้นจิตย่อมล่วงบัญญัติแล้วดำรงอยู่ในสภาวะเดียว คือไม่มีคำบริกรรมประกอบร่วมความจริงข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในเรื่องการระลึกถึงพระพุทธคุณแต่นำมาประยุกต์ใช้ในการเจริญวิปัสนาภาวนาได้เพราะวิปัสนามีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมเหมือนพระพุทธคุณและการระลึกถึงพระพุทธคุณก็ต้องบริกรรมว่าอิติปิโสภควา เป็นต้นเช่นเดียวกันมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจระลึกถึงพระพุทธคุณได้การใช้คำบริกรรมพองหนอยุบนอนี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีระราชมหาโมณีโชโดกยานสิทธิปเปลี่ยนธรรมก้าอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระสำนักงานกลาง กองวิปัสนาธุระวัดมหาธาตุคณะห้ากรุงเทพมหานครได้บัญญัติใช้ก่อนที่จะสอบสิทธยานุสิ์สืบต่อมาความจริงในภาษาพมา่าใช้คำว่าพอแดเป็งแดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพองอยู่ยุบอยู่โดยเหตุที่ภาษาพมา่ามักประกอบกิริยาคุมภาค เหมือนภาษาบาลีจึงใช้แดคืออยู่ควบคู่ไปกับคําว่าพองเปงดังนั้นคําบริกรรมนั้นจึงมีสองคำว่าพองแดเปงแดคือพองอยู่ยุบอยู่อย่างไรก็ตามคนไทยทั้งประเทศคุ้นเคยกับคําว่าพองหนอยุบหนอ ผู้แปลจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นพองอยู่ยุบอยู่คำบริกรรมนั้นมีประโยชน์เพื่อให้จิตจดจ่อมากขึ้นเป็นการเพิ่มวิริยะทางใจเพื่อไม่ให้ตามรู้อย่างผิวเผินเปรียบเหมือนก้อนดินเหนียวที่คว้างใสผนังด้วยกำลังแรงย่อมกระทบถูกผนังและติดแน่น ถ้าถูกขว้างด้วยกําลังไม่เพียงพอก็อาจพุ่งไปไม่ถึงผนังหรือแม้กระทบผนังก็ไม่ติดแน่นการตามรู้ในขณะเห็นนักปฏิบัติผู้เจริญวิปัสนาอย่างเห็นรูปนามตามความเป็นจริงยอมรับรู้สภาวะเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสนึกคิดและรูปอันเป็นที่อาศัยของจิต พร้อมทั้งรูปที่เกิดจากจิตในขณะนั้นๆส่วนผู้เจริญสมถาวิปัสนาพึงรับรู้ชานาจิตหัยวัตถุและรูปที่เกิดจากชานาจิตตามสมควรอันหนึ่งจิตที่รับรู้สภาวะเห็นคือวิถีจิตที่เกิดทางจักขุทวารวิถีตั้งแต่อวัชนะจิตไปจนถึงตัทารมณะจิต เป็นเพียงการรับรู้เฉพาะวิถีจิตหนึ่งวิถียังไม่ใช่การรับรู้จิตทีละดวงข้อนี้จะกล่าวต่อไปในปริเชตที่6เรื่องพังขยานในขณะเห็นพึงกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอแม้ในเวลาได้ยินเป็นต้นก็พึงกำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอ การกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอนี้หมายถึงจกักขุปราศาทตรรูปอารมณ์สภาวะเห็นการกระทบกันระหว่างสีและจกักขุปราศาทต์และเวทนาที่ดีใจเสียใจหรือเฉยเฉยโดยกล่าวสรุปการกําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอเป็นการรับรู้สภาวะธรรม ห้าอย่างตามสมควรคือจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาผู้เจริญวิปัสนาภาวนาอยู่ไม่ควรเลือกหาอารมณ์กรรมฐานที่ตนต้องการควรตามรู้สภาวะธรรมที่มาปรากฏอย่างชัดเจนในปัจจุบันขณะ แม้ว่านักปฏิบัติจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับปริยัติก็สามารถรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏได้เช่นเมื่อตามรู้ทุกขเวทนาว่าปวดหนอย่อมจะรับรู้สภาวะธรรมดังนี้คือการสัมผัสที่ไม่น่ายินดีเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาการทำให้จิตไม่สดชื่น เป็นหน้าที่ของทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายเป็นอาการปรากฏของทุกขเวทนาการประจบกัน ร, ระหว่างจิตกับสัมผัสที่ไม่ดีเป็นเหตุใกล้ของทุกขเวทนาว่าโดยโลกุปมาการรับรู้ลักษณะพิเศษเหมือนการเห็นแสงสว่างของฟ้าแลบการรับรู้หน้าที่เหมือนการกาจัดความมืด การรับรู้อาการปรากฏเหมือนการเห็นสันฐานของฟ้าแลบที่ยาวสั้นตรงคือคดส่วนการรับรู้เหตุใกล้เหมือนการเห็นก้อนเมฆซึ่งเป็นสันานที่เกิดของฟ้าแลบอย่างไรก็ตามเหตุใกล้มักไม่ปรากฏชัดแก่นักปฏิบัติในระยะที่เกิดวิปัสนาญาณขั้นแรกที่เรียกว่านามรูปปริเชตญาณ คือปัญญาจำแนกรูปนามเพราะเหตุใกล้เป็นธรรมที่ไม่ควรตามรู้เนื่องจากไม่ใช่สภาวธรรมที่ประจักษ์ในปัจจุบันขณะเช่นผู้ที่ตามรู้ปัทวีธาตุควรรับรู้ลักษณะพิเศษหน้าที่และอาการปรากฏของปัทวีธาตุไม่ควรตามรู้เหตุใกล้ของปัทวีธาตุคือธาตุสามอย่างที่เหลือคืออโปธาตุ เตโชทตาและวายโยทตาเพราะจะเป็นการกำหนดธาตุอื่นที่ไม่ใช่ปฐวีธาตุเมื่อจกักขุประสาทตปรากฏชัดก็ควรตามรู้จกักขุประสาทตไม่ควรกำหนดเหตุใกล้คือมหาภูตะ ร, รูปสี่ซึ่งเป็นที่อาศัยของจกักขุประสาทเมื่อภาษาปรากฏชัดก็ควรกำหนดภาษาไม่ควรกำหนดเหตุใกล้ คือเวทนาเมื่อเวทนาปรากฏชัดก็ไม่ควรกำหนดเวทนาไม่ควรกำหนดเหตุใกล้คืออารมณ์ดังนี้เป็นต้นดังคำภีวิสุธทธิมารคมหาดีกากล่าวว่าปัจจทฐานไม่แสดงไว้ในเรื่องธาตุนี้เพราะเป็นธรรมอื่นพ้นจากธาตุที่พึงกำหนดรู้ความจริงแล้วการกำหนดรูปปัจจทฐานคือเหตุใกล้ของรูปนาม ย่อมปรากฏในวิปัสสนาญาณที่สองชื่อว่าปัจจยะปริคหะญาณคือญาณกำหนดรู้ปัจจัยของรูปนามไม่ปรากฏในนามรูปปริเชทญาณอนหนึ่งคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะทุกฉบับ คือฉบับชัตตะสังขยนาฉบับสิงห์นและฉบับไทยมีข้อความว่าการกำหนดรู้รูปนามโดยประเภทแห่งลักษณะรสะปัจจุปัฐานและปะัจทฐานชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิโดยเหตุที่คำพีฉบับสิงห์นสมัยก่อนไม่มีปัจทฐานในเรื่องนี้ และคำพีอภิธรรมมัทวิภาวินีที่แต่งในราวพุทธศักราช1700ก็ไม่ได้กล่าวถึงประทัดฐานไว้จึงเชื่อว่าเรื่องประทัดฐานคงจะมาเพิ่มภายหลังซึ่งอาจเกิดจากการจานใบลานคลาดเคลื่อนตามกันมาหลังพุทธศักราช1700อันหนึ่งสภาวะธรรมเช่นลักษณะเป็นต้น ย่อมปรากฏชัดแก่นักปฏิบัติในแต่ละขณะหมายความว่าบางขณะลักษณะพิเศษปรากฏชัดบางขณะหน้าที่ปรากฏชัดบางขณะอาการปรากฏก็ชัดเจนเมื่อนักปฏิบัติตามรู้สภาวะใดสภาวะหนึ่งแล้วก็เป็นอันรับรู้สภาวะธรรมอย่างแท้จริงดังข้อความในคัมภีวิสุทธิ์ที่มักว่า ถามว่าเหตุใดจึงกล่าวถึงลักษณะและหน้าที่ทั้งสองอย่างไว้ในเรื่องนี้ตอบว่าเป็นการกล่าวไว้ตามอธยยศัยของบุคคลโดยแท้จริงแล้วเมื่อบางคนกำหนดรู้ธาตุอยู่ธาตุเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยลักษณะเมื่อบางคนกำหนดรู้อยู่ธาตุเหล่านั้นย่อมปรากฏโดยการกระทำหน้าที่ของตนซึ่งเรียกว่ารักษ ข้อนี้หมายความว่าผู้ที่เจริญาธาตุกรรมฐานโดยตามรู้าธาตุสี่พึงกําหนดโดยลักษณะหรือหน้าที่ของาธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรตามรู้พร้อมกันทั้งสองอย่างแต่ในคัมภีอัตถกถากล่าวถึงการตามรู้ทั้งสองอย่างไว้ตามอัธยาศัยของบุคคลเพราะในบางคนจะปรากฏโดยลักษณะและบ้างก็ มาปรากฏโดยหน้าที่จึงควรตามรู้สภาวะที่ปรากฏในแต่ละขณะในขณะกําหนดว่าเห็นหนอสภาวะทำรมาอย่างคือจักขุประสาทสีจักขุวิญญาณผัสสะทางตาหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควร ดังมีความพิสดารต่อไปนี้การตามรู้จักขุประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใส่ใจที่ส่องเห็นรูปได้เป็นลักษณะพิเศษของจักขุประสาทรูปาพิขาตาระหะภูตับปสสาทะลักขนงังการจูงใจไปในรูปารมเป็นหน้าที่การเห็นได้ทางจักขุประสาท เป็นอาการปรากฏการมีดวงตาเป็นเหตุใกล้การตามรู้รูปารมมีสภาวะธรรมดังนี้คือการปรากฏให้รู้ทางตาเป็นลักษณะพิเศษของรูปารมการถูกเห็นได้เป็นหน้าที่การที่สภาวะเห็นดำเนินไปในจักขุประศาสเป็นอาการปรากฏ การอาศัยมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้การรับรู้จากขประสาทเป็นรูปารมณ์ที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรและคำพีอธิกทถาว่าภิกษุในพระาศาสนานี้ย่อมรู้จากตารู้จากรูปารมณ์และรู้จากตาและรู้รูปารมณ์ทั้งสองนั้น อันเป็นที่อาศัยเกิดของสังโยชน์หมายความว่าย่อมรู้จักขประสาทโดยจําแนกตามลักษณะและหน้าที่อย่างแท้จริงพระดํารัสว่ารูเปจปะปชานาติรู้จักกรูปารม์หมายความว่าย่อมรู้จั ก, กรูปารมณ์ที่เกิดจากสมุธฐานทั้งสโดยจําแนกตามลักษณะและหน้าที่อย่างแท้จริง การตามรู้จักขวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือการเห็นรูปเป็นลักษณะพิเศษของจักขวิญญาณการรับสีเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่ปุพพังขะมะระสังการนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏจักขปรสสาทและสีเป็นเหตุใกล้การตามรู้ผัสสะทางตา มีสภาวะธรรมดังนี้คือการกระทบกับสีเป็นลักษณะพิเศษของภาษาทางตาการประสานอารมณ์เป็นหน้าที่การประชุมกันระหว่างจากักขุปราศาสสีและการเห็นเป็นอาการปรากฏอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้การตามรู้สุขเวทนาที่เกิดจากภาษาทางตามีสภาวะธรรมดังนี้ คือการเสวยอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของสุขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้รู้สึกพอใจเป็นหน้าที่ของสุขเวทนาการเกิดความพอใจทางจิตเป็นอาการปรากฏความสงบใจเป็นเหตุใกล้การตามรู้ทุกเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้ คือการเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะพิเศษของทุกขเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้รู้สึกไม่พอใจเป็นหน้าที่การเกิดความไม่พอใจทางจิตเป็นอาการปรากฏหทยวัตถุเป็นเหตุใกล้การตามรู้อุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตามีสภาวะธรรมดังนี้ คือความวางเฉยที่เกิดขึ้นในขณะเห็นเป็นลักษณะพิเศษของอุเบกขาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาการทำให้สภาวะเห็นเป็นกลางดงอยู่เป็นหน้าที่การเกิดความสงบไม่ยินดียินร้ายเป็นอาการปรากฏความมีจิตไม่ปีติยินดีเป็นเหตุใกล้แม้สุขเวทนาและทุกขเวทนาจะไม่ประกอบ ร่วมกับจักุวิญญาณที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวแต่ในอภินยยสูตรและปรินยยสูตรได้กล่าวถึงเวทนาสามที่ปรากฏทางทวารหกในที่นี้จึงแสดงถึงเวทนาเหล่านั้นที่ประกอบกับสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตชวนะจิต และตถารรมณะจิตซึ่งเกิดทางจักขุทวานวิถีอนหนึ่งคัมภีมูลดิกาและคัมภีวิสุทธิมรสมหาหดีกากล่าวว่าอุเบกขาที่ประกอบร่วมกับจิตที่เห็นรูปอันไม่น่าชอบใจจัดเป็นทุกขเวทนาและอุเบกขาที่ประกอบกับจิตที่เห็นรูปอันน่าชอบใจจัดเป็นสุขเวทนาโดยปริยาย ดังสาธกในคำภีเหล่านั้นว่าส่วนอุเบกขาที่เป็นผลของอกุศลย่อมนับเข้าในทุกเพราะไม่น่าปรารถนาส่วนอุเบกขานอกจากนี้นับเข้าในสุขเพราะน่าปรารถนานอกจากนี้แม้อุเบกขาที่ประกอบร่วมกับจิตที่เห็นรูปเป็นกลางอันไม่น่ายินดียินร้ายก็ควรเป็นอุเบกขาโดยแท้ เพราะท่านกล่าวบทแสดงเหตุไว้สองสาบคืออนิทัตตาและอิทัตตาความจริงแล้วแม้จกักขวิญญาณจะประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาแต่ความยินดีพอใจปรากฏเมื่อกระทบสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ถูกใจแล้วเกิดความรู้สึกยินดีแม้ความไม่ชอบใจก็ปรากฏ เมื่อกระทบสีเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ไม่ถูกใจจะเห็นได้ว่าความรู้สึกยินดีย่อมปรากฏเมื่อได้กลิ่นของหอมมีน้ำหอมดอกไม้หอมเป็นต้นหรือรับประทานอาหารมีรสอร่อยความรู้สึกไม่ชอบใจย่อมปรากฏเมื่อได้กลิ่นของเหม็นรับประทานอาหารมีรสไม่ดี นอกจากนี้แม้กายวิญญาณจะประกอบด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาแต่ในบางคราวก็อาจจะรู้สึกโพทฐพารมในลักษณะเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกตามในนี้พึงรวมโพทฐพารมประเภทนี้ไว้ในสุขเวทนาขั้นต่ำ การตามรู้ในลักษณะได้ยินในขณะกำหนดว่าได้ยินหนอสภาวะธรรมห้อย่างคือโสตรปสตระสาทเสียงโสตวิญญาณผัสสะทางหูหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางหูย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้โสตรปสตระสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือ ความใสที่ให้ได้ยินเสียงได้เป็นลักษณะพิเศษของโสตประสาทพิกาตาระหะภูตับประสาทะลักขนังการจูงใจไปในสัทธารมเป็นหน้าที่การได้ยินทางโสตประสาทเป็นอาการปรากฏการมีหูเป็นเหตุใกล้ การตามรู้สัทธารมมีสภาวธรรมดังนี้คือการที่สัทธารมปรากฏในหูเป็นลักษณะพิเศษของสัทธารมการที่สภาวะได้ยินดำเนินไปในโสตประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้โสตวิญญาณมีสภาวธรรมดังนี้คือ การได้ยินเป็นลักษณะพิเศษของโสตวิญญาณการรับเสียงเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏโสตประสาทและเสียงเป็นเหตุใกล้การตามรู้ในขณะดมกลิน่นในขณะกําหนดว่ารู้หนอเมื่อได้กลิน่นสภาวะธรรมห้าอย่างคือคณะประสาทกลิน่นคณะวิญญาณภาษาทางจมูก หรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางจมูกย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้คณะประสาทมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใสที่สูตรรับกลิ่นได้เป็นลักษณะพิเศษของคณะประสาทการจูงใจในคันธารมเป็นหน้าที่การได้กลิ่นทางคณะประสาทเป็นอาการปรากฏ การตามรู้คันธารมมีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่คันธารมปรากฏในจมูกเป็นลักษณะพิเศษของคันธารมการถูกสูดดมได้เป็นหน้าที่การที่สภาวะได้กลิ่นดำเนินไปในคณะประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้คานวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือ การได้กลิ่นเป็นลักษณะพิเศษของคณะวิญญาณการรับกลิ่นเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏคณะประสาทและกลิ่นเป็นเหตุใก้ของคณะวิญญาณการตามรู้ในขณะลิ้มรสในขณะกำหนดว่าลิ้มหนอหรือรู้หนอ สภาวะธรรมหอย่างคือชิวหาประสาทรสชิวหาวิญญาณผัสสะทางลิ้นหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางลิ้นย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้ชิวหาประสาสมีสภาวะธรรมดังนี้คือความใส่ใจทำให้รับรสได้เป็นลักษณะพิเศษของชิวหาประสาทการจูงใจใน รสารมณ์เป็นหน้าที่การได้ลิ้มรสทางชิวหาประสาทเป็นอาการปรากฏการมีลิ้นเป็นเหตุใกล้การตามรู้รสารมณ์มีสภาวธรรมดังนี้คือการที่รสารมณปรากฏในลิ้นเป็นลักษณะพิเศษของรสารม์การถูกลิ้มเป็นหน้าที่การที่สภาวะลิ้มรสดำเนินไปในชิวหาประสาท เป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้ชิวหาวิญญาณมีสภาวธรรมดังนี้คือการลิ้มรสเป็นลักษณะพิเศษของชิวหาวิญญาณการรับรสเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏชิวหาประสาทและรสเป็นเหตุใกล้ การตามรู้ในลักษณะสัมผัสในขณะ ก, กำหนดว่าถูกหนอสภาวะธรรมหอย่างคือกายประสาทสัมผัสกายวิญ ญ, ญาณผัสสะหรือกายหรือเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางกายย่อมปรากฏในขณะนั้นๆตามสมควรการตามรู้กายประสาท ม, มีสภาวะธรรมดังนี้คือความใสที่ทำให้รับ สัมผัสได้เป็นลักษณะพิเศษของกายประสาทการจูงใจในผดทัพพารมเป็นหน้าที่การได้สัมผัสทางกายประสาทเป็นอาการปรากฏการมีร่างกายเป็นเหตุใกล้การตามรู้ผดทัพพารมมีสภาวะธรรมดังนี้คือการที่ผดทัพพารมปรากฏในกาย เป็นลักษณะพิเศษของโผฏฐัพพารมการถูกสัมผัสเป็นหน้าที่การที่สภาวะสัมผัสดำเนินไปในกายประสาทเป็นอาการปรากฏการอาศัยมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้การตามรู้กายวิญญาณมีสภาวะธรรมดังนี้คือการสัมผัสเป็นลักษณะพิเศษของกายวิญญาณ การรับสัมผัสเป็นอารมณ์เป็นหน้าที่การนำจิตไปสู่อารมณ์เป็นอาการปรากฏกายประสาทและสัมผัสเป็นเหตุใกล้การตามรู้ในขณะคิดขณะที่จิตเกิดทางมโนทวารจะมีอาการซึ่งเรียกต่างกันไปว่าคิดนึกพิจารณาใกล้กรวนใส่ใจกําหนด เป็นลักษณะของจิตที่รับรู้อารมณ์ทางใจนักปฏิบัติควรตามรู้สภาวะนั้นๆว่าคิดหนอพิจารณาหนอใกล้ครวญหนอใส่ใจหนอกำหนดหนอก็จะเป็นการรับรู้มโนทวารธรรมารมมโนวิญญาณผัสสะและเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดในขณะนั้น การรับรู้นี้เป็นการอย่างเห็นด้วยการกำหนดซึ่งเรียกว่ายาตะปริญญาและเป็นการอย่างเห็นความไม่เที่ยงซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นต้นด้วยตีรณะปริญญาและปะหานะปริญญาตามสมควรดังมีสาธกว่าคำว่ามโนคือพวังขจิตพร้อมด้วยอวัชนะจิต โดยรวมอาวัชนะจิตไว้ในพวังคจิตคำว่าธรรมมาแปลว่าอารมณ์คำว่ามโนวิญญาณังคือชวนะจิตก ร, รมชารูปรากฏโดยความเป็นอายตนะและทวานหัทยวัตถุในมโนทวานมีรูปห้าสิบสี่อย่างมีกายะทัศกากราปะภาวะทัศกะ กาลปะและอุตตุชาูปเป็นต้นพระวังคจิตพร้อมด้วยอวัชนะตจิตชื่อว่ามโนทวาลท่านกล่าวว่าในมโนทวาลซึ่งเป็นที่เกิดของมโนทวาลด้วยสำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัยโดยหมายเอาหัทยวัตถุเพราะเป็นที่อาศัยของหัตยวัตถุนั้น สาธก ข, ข้างต้นแสดงว่าผวังคจิตที่เกิดก่อนวิถีจิตและมโนทวาราวัชณะจิตที่เริ่มพิจารณาอารมณ์ทางมโนทวานชื่อว่ามโนทวานแม้หัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยของมโนทวาราวัชนะจิตและผวังคจิตเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่ามโนทวานโดยฐานูปจาระ คือสํานวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัยแต่มุ่งให้หมายถึงที่ตั้งซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่อาศัยคือมโนทวาลแต่เจตนาหมายถึงที่ตั้งคือหัทยวัตถุธรรมรมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจิตคือจิตเจตสิกและรูปอันได้แก่โลกิยะจิตโลกิยะเจตสิก ประสาธารูปและสุขุมรูปส6กล่าวคืออาโปธาติทธีภาวะรูปปุริสภาวะรูปหัตถายวัตถุชีวิตรูปและอาหารารูปมโนวิญญาณคืออกุศลชวนาจิต กามาวาจรกุศลชวนะจิตและตัทธารมณะจิตส่วนผัสสะและเวทนาก็เป็นผัสสะและเวทนาที่ประกอบกับชวนะจิตและตัทธารมณะจิต